ในอันนอนตถกถากล่าวถึงเท้าสั ก, กะเนี่ยนะว่าเท้าส ก, กะเนี่ยพระองค์เนี่ยคือใครสักเล็กน้อยหน้า163เนี่ยนะพระอินทร์พระอินทรน์ท้าสักกะพระองค์เนี่ยคือใครแล้วก็พวกอาูลทั้งหลายเนี่ยคือใครเรื่องราวของเท้าส ก, กะในอดีตชาติของท่านเนี่ยนะก่อนที่จะมาเป็นเท้าส ก, กะเป็นมนุษย์คนหนึ่งม น, นุษย์เนี่ยแปลว่าชายหนุ่มชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นบัณฑิต เป็นคนที่ฉลาดเฉียบแหลมเกิดในบ้านอาจจะละคามในมคอตรัฐเนี่ยนะมะคอตรัฐก็อยู่ปัจจุบันนี้คือรัฐไหน น, นะอนดีตเรียกว่ามคอตรัฐปัจจุบันก็คือรัฐพิหารเนี่ยนะรัฐพิหารอินเดียนั่นแหละอดีตชาตินั้นเขามีข้อปฏิบัติทําตัวคล้ายพระโพธิสัตว์ในด้านการปฏิบัตินะแต่เขาไม่ได้ปรารถนาะเป็นพระพุทธเจ้าแต่พฤติกรรมไล้ละอย่างเขาจะคล้ายพระโพธิสัตว์มาก คืออะไรคือเขาเนี่ยนะเป็นคนที่ทําสาธารณกุศลโดยปกติแล้วนายมาฆ่ามานพคนนี้เขามีเพื่อนอีกสามสิบสองคนเออสามสิบสามคนรวมกับตัวเองเนี่ยนะในการสร้างความดีสามสิบสามคนเนี่เรียกว่าตาดาววดึงมาจากว่าตาวะติงสาเนี่ยนะเตติงตาวะติงสา ก, ก็คือ สามสามอ่ะ น, นะสามิบสามไตรตรึงอ่ะ น, นะบางทีก็ใช้ก็มาไตรตรึงก็คือพวกสามสิสาเนี่ยนะวัดอะไรนะวัดวัดเกี่ยวกับเรื่องสามสามทั้งหลายแหละเนี่ยเป็นชื่อของดาวเด่นทั้งหมดเนี่ยนะก็หมายถึงพวกสาสิบสามนั่นแหละทีนี้วันหนึ่งนายมัคคะคนนี้เนี่ยนะนายมาคคะคนเนี้เขาก็เป็นคนที่ฉลาดเขาไค้ครวญด้วยปัญญาของตน คือเขาไปยืนอยู่ในที่ตรงหนึ่งนะยืนในที่ที่สถานที่ตรงหนึ่งมันรกมากเขาก็ถือจอบไปด้วยเขาก็เลยถางถางถางถางตรงนั้นให้เตี้ยนเสร็จแล้วเขาก็ยืนคนอื่นก็มามาเบียดเขาให้้หเขาไปคนอื่นก็ยืนแทนเขาก็เลยเออแสดงว่าคนต้องการความสุขมันเราต้องชำระพื้นที่ให้คนจะได้นั่งสบายเนี่ยเออทุกคนก็มานั่งทีนี้เขาก็เลยคิดต่อไปอีกเออเมื่อคนนั่งตรงนี้สบายมันก็ต้องมีร่มเงาสิ ก็เลยคิดทําโน่นทํานี่เกิดการประดับประดาตกแต่งสร้างอะไรเขาเรียกว่าศาลา ก, กลางถนนเนี่ยนะสร้างสาธารณกุศลให้คนทั้งหลายได้ใช้สอยกระว่าขุดบ่อก่อสระน้ําเป็นต้นสุดแท้ที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยกระทําสถานที่ต่างๆให้หน่ารื่นรมเป็นคนที่ประดับประดาตกแต่งทํางานเพื่อบ้านเมืองอะนะโดยที่ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรหรอกแต่ว่ามีศรัทธาอยากจะทําให้ประชาชนได้รับความ ผาสุขสะดวกสบายเช่นสร้างโรงมนต์ดบสร้างถ้าตรงไหนเป็นทางผ่านก็สร้างศาลาข้างทางเป็นตน้นหรือถ้าถนนไม่สราบเรียบก็ทําถนนให้เสมอทําถนนให้ราบเรียบบางทีถนนที่เขาแต่งบางทีก็โอ้45่หกิโลนะับางทีก็ทำโน่นอ่ะสิกกิโลบางทีก็ทําเป็นอะไรสิบกิโลบางทีก็เป็น16กกิโลเนี่ยนะชักชวนเพื่อนทําทางเป็นกิโลกิโลวังงั้นเนถะเป็น10บสิกิโลเนี่ยช่วยกันขุดเนี่ยใช้จอบนี่แหละ ช่วยกันตกแต่งถนนหนทางสร้างบ้านสร้างเมืองกันเนี่ยนะบางทีถ้าตรงไหนที่สัญจรไม่สะดวกมีน้ำผ่านก็สร้างสะพานสร้างมนดบเป็นต้นสร้างศาลาสร้างสะโบกกรณีปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้กอเป็นต้นเขาก็เลยทำบุญเป็นอันมากบุญทุกอย่างที่เขาทำเป็นสาธารณกุศลแต่เขาเนี่ยมีความพิเศษ กว่าบริวารของเขาอยู่7ประการเขาเรียกว่าประพฤติวัตบท7ประการด้วยการเขาเรียกว่าวัตของเขาเป็นพิเศษเช่นเขาจะเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นนิดคือเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มากเลยนะคำพูดผู้ใหญ่ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยเขาอ่อนน้อมเขาเคารพเป็นคนที่ไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งอันนี้นหนึ่งแล้วก็ต่อไปอีกเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดชีวิตแล้วเขาไม่โกรธ ถ้าเขาโกรธเขาจะรีบกำจัดมันอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยนะถือวัดคือความไม่โกรธแล้วก็ให้ทานเนี่ยนะยินดีในการจำแนกเป็นต้นมอาวัดตบทเราเนียเป็นเหตุให้เขาเอ่อเป็นหัวหน้าเนี่ยนะพิเศษกว่าเพื่อนๆของเขาอีกสามสิบสามคนเขาก็ทำบุญเนี่ยนะทบุญให้ทานจนได้ไปเกิดในพร้อมกับเพื่อนๆนก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะ ปกติก็มีเทวดาอยู่ก่อนอยู่แล้วเทวดาที่อาศัยอยู่ก่อนเรียกว่าพวกอสูรจริงก็คือพวกเทวดานั่นแหละพวกเทวดาเผาดาวดึงดึงเหมือนกันไอเทวดาที่อยู่ก่อนเนี่ยโดยมากเป็นเทวดาขี้เมาเ น, นี่ยนะเป็นเทวดาขี้เมาเรียกว่าเสวยน้ําจันเนี่ยนะก็ดื่มน้ําเมามากเลยนี่พวกอสูรเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากเทวดาทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยนะแต่ว่ามันต่างจากพวกกลุ่มด กลุ่มเท้าสักกะกลุ่มมาฆะมานพ์กลุ่มเทพบุตรเกิดใหม่ต่างกันตรงที่ว่าเทวดาชุดเก่าในขี้เมาเนี่ยนะทีนี้เท้าสักกะก็เลยก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกันเนี่ยนะพอไปเกิดปั๊บพวกนี้ก็จะต้อนรับเนี่ยนะคนมันชอบอะไรมันก็เอาอนะั้นเอามาต้อนรับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ชอบเล่ามากเนี่ยนะเป็นขี้เมาก็เลยจัดมาหาป่านะมาเลี้ยงพวกแสดงว่าขนเบียร์มาเป็นถังนะคล้ายๆแบบนี้ก็เรียกว่าต้อนรับเพื่อนใหม่เนี่ยนะ เท้าสักกะก็เลยคิดว่าเราได้ทําบุญกันมาแทบตายจะต้องมาอยู่กับร่วมไอ้พวกขี้เมาเงี้ยเหรอกรชักไม่ชอบแล้วนะแกรักษาทํ า, าทบุญมาแทบแยกว่าจะมาเกิดที่นี่แล้วก็ต้องมาอยู่กับพวกขี้เมาก็เลยคิดว่าเอาเถอะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยนะทุกคนอจะดื่มนะแต่ก็อยู่ในสมาคมของพวกขี้เมาเนะี่ยแหละให้พวกขี้เมาเมากันให้หมดเลยพอเมาเสร็จแล้วก็ทํำยังไง กล่าว่าจงแกล้งทําแต่เพียงดื่มก็คืออย่าดื่มจริงอ่ะนะแกล้งดูเหมือนดื่มแต่ว่าไม่ดื่มจนมพวกอาูนแบบเลี้ยงฉลองรับน้องใหม่ใช่ไหมเมาแอพอม เ, เ, อเมาได้ที่ก็เลยหลับไปเลยเนี่ยเมาได้ที่ก็เลยหลับเท้าสกกะก็ส่งสัญญาณแก่เพื่อนจับช่วยกันจับพวกกลุ่มเทวดาชุดเก่าโยนลงไปในทะเลนาะนะกล่าจับโยนลงไปที่เชิงเขาซิเนรุแต่เนี้พวกนี้มันก็มีบุญอ่ะนะเขาสั่งสมบุญมาดีก็เลยเกิด วิมานเกิดเทวเกิดพบอีกหนึ่งพบเนี่ยนะพบตรงนั้นเนี่ยข้างภายข้างล่างอ่ะนะเรียกว่าเชิงเขาสินิรั่วพวกนั้นก็เลยเรียกว่าเมืองอสูรเรียกว่าเมืองอสูรนะก็เลยเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มฝ่ายอสูรก็แบ่งเป็นสองพวกเลยนะพวกฝ่ายเทพกับฝ่ายอสูรเท้าสก่าก็เรียกว่าฝ่ายเทพกับพวกกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกฝ่ายอสูรเนี่ยนะก็พวกพวกขี้เมาทั้งหลายนั่นแหละก็กลุ่มเทวดาขี้เมา ทีนี้พวกอสูรเนี่ยนะตอนที่อยู่ดาววดึงเนี่ยเขาจะมีดอกอะไรนะดอกแครไฟล์ไอ้ต้นแครไฟล์พอไปเกิดในข้างล่างก็จะมีต้นจิตตะปาตลิอยู่ภายในภพอสูรทีนี้เมื่อใดที่ต้นจิตตะปาตลิเนี่ยน ะ, ะผลิต ด, ดอกออกผลพวกอสูรก็จะนึกถึงต้นแครไฟล์ที่อยู่ดาววดึงชั้นที่ข้างบน น, นะนะก็เลยปรารถนาอยากจะยึดเอาแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนคืน อยากจะยึดเอาที่สวรรค์ชั้นนั้นคืนทีนี้พวกนี้ก็ยกก อ, องทัพขึ้นไปเลยเนี่ยนะคารวะยกบริวารพวกของตัวเนี่ยขึ้นไปเหมือนกับปลวกไต่ขึ้นต้นไม้เนี่ยนะยกพวกขึ้นไปโย้เลยเนี่ยไปเพื่อที่จะรบกับเทวดาไอ้รบมันก็รบแบบเด็กๆนะเขาขูกันไปขูกันมาคำรามกันไปคำรามกันมามีอะไรเพราะเทวดาไม่ทําปาณาติบาตถ้าพาะพวกนี้ไม่มีเจตนาในการทําปาณาติบาตเพียงแต่ว่าอวดแบบ ใครแบบนักมวยปล้ำอ่ะนะแบบปล้ำญี่ปุ่นอ่ะนะก็ว่ายกกําลังรองกําลังมัานี่แข่งข้ากันเจ็บปวดอะไรรอกเลยนะนะใครเคยดูนักมวยมวยญีปุ่มวยปล้ำญี่ปุ่นบ้างอ่ะนะจับกันยกขึ้นมาจับยกออกนอกไอ้อะไรนะไอเวทีของเขาก็นชนะแล้วแค่นี้ไม่ได้ไปทําอะไรกันหรอกพวกเทวดาก็เหมือนกันบางทีบีงทก็ยกดาบมาก็เหมือนเด็กเล่นนั่นแหละก็จับต้องแป้งป้งแ ป, ป้งกันไปกันมาก็เอาใครดูแต่มีฤทธิมากวาามากว่าอํานาจมากกว่าอีฝ่ายกา็แพ้ก็แขคบขับเคี่ยวกันแค่นั้นอนะ่ะ ทีนี้ถ้าพวกเทวดาชนะจะไล่พวกอสูรโน่นไปถึงใกล้ทะเลถ้าพวกเทวดาแพ้ก็จะถูกตอก้อนไปถึงกำแพงเมืองดาวดึงดึงเนาะเพราะฉะนั้นทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเท้าสักกะระบดชนะแกก็เลยตั้งอาราขาสร้างรูปเหมือนพระอินทร์เนี่ยขึ้นมาอีกห้ารูปอนนะะเฝ้าตามประตูเนี่ยนะประตูไหนที่จะเข้าสร้างเทวรูปรูปพระอินทร์ถืออะไรถือวัชิราวุธพระอินทร์เนี่ยเขามียวุธิของเขาคือ วชิราวุธท้าเวสวร์มีนายนาวุธก็คือมีตาที่สเนี่ยนะที่ฆ่ายักษ์ได้เรียกว่านายนาวุธเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาชน ะ, ะพวกอสูรเบ็ดเสร็จแล้วก็ตั้งองคครักษ์เนี่ยนะตั้งรูปเหมือนเท้าสกะก็ส ร, สร้างสร้างเวชยันต์ประสาสตขึ้นก็สร้างเวชยันต์ประสาสตขึ้นแล้วก็เท้าสักกะจะมีช้างอยู่เชือกหนึ่งเรียกว่าเท้าช้างอะไรช้างเอราวัณใชช้างเอราวัณก็เนื่องจากว่า ช้างที่ช่วยการงานเนี่ยนะช้างที่ช่วยเอ่อก็พายท้าส ก, กะมีช้างอยู่เชือกหนึง่งคือช้างเอราวันช้างเอราวันเนี่ยต้นเดิมเขามีอยู่ว่าพวกไอ้สาสามคนเนี่ยในอดีตชาติที่ไปตอนไปถากขังทําถนนหนทางเนี่ยนะคือเนื่องจากว่านิสัยไม่กินเหล้าเมายาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนายบ้านก็เสื่อมเสียผลประโยชน์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยภาษีต้องนายบ้านเป็นคนเก็บภาษีอากร นั้นก็ภาษีอากรก็ไม่ค่อยตกแก่นายบ้านเพราะพวกนี้มัวแต่ไปทำบุญกันเนี่ยนะไม่ไปยิงนกฆ่าปลาฆ่าเนื้อพอที่จะเสียค่าภาษีอากรให้กับนายบ้านนายบ้านก็เลยแกล้งหาเรื่องแกล้งหาเรื่องไปฟ้องพระราชาว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งมีพวกใหญ่มากเลยมีพวกอยู่สามสิบสองคนเออสามสิบสามคนก็เลยไปสอเสียดพระราชาพระราชาก็เลยบอกว่าเอามันมาฆ่าก็าบอกฆ่ายังไงแล้วก็ให้ช้างเหยียบ พอคิดจะให้ช้างเหยียบเนี่ยนะช้างก็ไม่ยอมเหยียบเมื่อช้างไม่เหยียบเอาเสือลำแพนเนี่ยมามาจะให้เหยียบก็ไม่ยอมเหยียบเพราะอะไรเพราะพวกนั้นเนี่ยตั้งสัจจะวาจาแล้วก็เจริญเมตตาเจริญเมตตาให้พระราชาเจริญเมตตาให้ตัวเองเจริญเมตตาให้ช้างเจริญเมตตาให้นายบ้านเป็นต้นเสมอกันด้วยอนุภาพของเมตตาของพวกสาสาช้างก็เลยไม่เหยียบตอนหลังเนี่ยเมื่อช้างไม่ยอมเหยียบพระราชาก็ทนไม่ได้ก็เลยมามาอะไร สอบสวนดูว่าเรื่องราวไปอย่างไรก็บอกว่าไม่ได้เป็นโจ้เนี่ยมัวแต่ทําสร้างถนนหนทางเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมาส่อเสียดเฉยเฉก็บอกว่าโอ้ช้างยังรู้คุณของพวกเธอทําไมชั้นไม่รู้คุณของพวกเธอเอางี้แล้วกันจอมส่อเสียดคือนายบ้านไปเป็นขี้ข่าไปนะก็ยกให้ไปเป็นคนรับใช้สาสิบสามคนแล้วก็เออช้างในฐานะจะเหยียบเอาไปเป็นช้างใช้งานมันก็เลยได้เป็นได้ยานเนี่ยนะไปไว้ลากซุงลากอะไรในการสร้า ง, ส ร, างสร้างถนนสร้าง ศาลาสร้างมณฑปเป็นต้นเนี่ยนะพันก็ช้างตัวนั้นพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นเทพผบุตรแต่เทพผบุตรเนี่ยเวลาท่าสกะจะไปไหนเขาก็เนรมิตตัวเองเป็นช้างนะนะเนรมิตตัวเองเป็นช้างก็เลยเรียกว่าช้างเอราวันก็มีกระพองนะเนรมิตกระพองให้เท่ากับเนี่ยเทวดาเนี่ยได้ใช้สอยกันทั่วหน้าแต่จริงเขาเขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ช้างโดยกําเนิดแท้จริงแต่อดีตชาติเคยเป็นช้างก็เลยเรียกว่าช้างเอราวันเนี่ยนะ เท้าสักกะเนี่ยนะส่วนจะเรียกว่าเ ว, เวชยันทั้งหมดเลยเช่นปราสาทของเขาก็ชื่อวเวทย์ชยันต่ปราสาตรถของเขาก็ชื่อว่าเวชยันแต่รถเหมนตอนก็มีบริวารแล้วก็เท้าสักกะคนนี้เนี่ยความที่ตัวเองก็ทําบุญเยอะแหะแต่ว่าบุญที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่บุญที่ทําในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเขาจะมีศักดิ์มีรัศมีเนี่ยน้อยกว่าเทวดายุคหลังๆมากมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะทา้าเอ่อท้าสักกะเนี่ยมารำเพืงกับ พระมหาโมกขลานะว่าใครจะพับเท่าเขาเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าก็จริงเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่บุญเนี่ยน้อยกว่าเทพบุตรที่เกิดมาใหม่ๆทั้งโดยรัศมีโดยยศเพราะฉะนั้นตัวเขาเองต้องคอยหลบเทวดาที่เกิดยุคใหม่ๆบ่อยมากเลยถามว่าทําไมเพราะว่าบุญมันทำมาต่างกันเพราะมั้นก็เลยตอนหลังกระเทาะส ก, กาก็มาแอบมาใส่บาตประจําเนี่ยนะมาแอบไปใส่บาตพระมหากรสปะเป็นต้น แล้วตอนหลังเขาก็มีอายุมาครบสามประมาณ36ล้านปีเนี่ยนะอยู่มาวันหนึ่งก็อายุครบ36ล้านปีก็จะหมดบุญพอจะหมดบุญทําไงดีบอกว่าถ้าถ้าผิวพรรณเศร้าหมองเหงื่อออกไม่ยินดีในทิพอาทไม่ยินดีในทิพพิภพดอกไม้ประจําตัวเฉาภาพก็ผ้าก็เศร้าหมองแล้วก็ไม่ยินดีในสวรรค์นี่ก็แปลว่าอีกเจวันมนุษย์ตัวจะตายก็ไม่กี่นาทีสวรรค์เนี่ยนะ ไม่กี่วินาทีก็จัดตัวจะตายแล้วก็เดือดร้อนมากก็เลยเกณฑ์เทวดาสองชั้นเนี่ยเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะฟังธรรมก็มาสอบถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะสอบถามปัญหาธรรมะฟังธรรมจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันจุติจากเท้าสักกะเป็นเท้าสักกะอีกรอบหนึ่งก็กลายเป็นเท้าสักกะที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะก็ในสักกะปัญหาสูตรเนี่ยท้าสกตะก็กลายเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะการนี้บุญหนักเลยคนนี้บุญหนักกว่าคนอื่นบุญแล้วก็ต่ออายุได้อีกเท่าตัว